Book 2ูแปดสิบสามเท็ดตั a เดีย a เท็ดทรัพย์เท็ดตัวเดียดเทือ่เอทรัพย์อดีตการสาโทรศัพท์เทฟนอย ตเนนอยดิฉันโทรศัพท์แล้วคำเตลโฟนนวลำเตลโฟนนวดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมาคำมาร์์นเตลโฟนจิสโคฮสถาม พื <P> <P ues. S 1> ้พืสดิฉันถามแล้วคำพื้นตัวอูนคำพื้นตัวดิฉันได้ถามเสมอคำพื่มอคำพตัวทีสมอเล่าใร่อ ตรากอูอิดิฉันเล่าแล้วคำตรกากูอิคำตร e g ูอิดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้วอุ่นไอคำตรา t ู e ิถึงจีทิสตอรีนอ e ่น m อคำตรกากูอิถึ t h ีทิสตอรีนเรียนไม่ใ มาสอยดิฉันเรียนแล้วอุนคำมะสวัวดิฉันเรียนตลอดทั้งค่ำเลยคำมสวรามิ่ธมบรา ม, ะ ม, ะ ม, ะมะิ่งทำงานผู้หน่อย ดิฉันทำงานแล้วคุนคำพนัวอูนาคำพูนัวดิฉันทำงานทั้งวันเลยคำพูนวัวจีตตันคำพูนวัวจีเสตตันรับประทานทานฮะ ค่ะดิฉันทานแล้วอุ่นคำกรนอุ่นนดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้วคำกรนท s h i